ภาวนาแข็งกับฝนตกทำให้มากเจริญให้มากมากขนาดไหนมากจนได้อัดได้ทำจนได้มักได้ผลมากยังไม่พอก็ไม่ได้ทำจนได้เบื่อเป็นปนาย เรียกร้องหาผลแต่ผลยังมันมันยังไม่ปรากฏก็ไปเรียกร้องไม่ได้ทำอยู่นี่แหละทำให้มากเจริญให้มากมันใช้คำแค่นี้ยามันสงบก็สงบไปลกบอารมณ์มันเดียวเห็นกิริยาของของจิตจิตมันวิ่งรับอะไรบ้างเป็นหลักของมหาษติปัฏฐานเห็นจิตมันอยู่คิ่งนิ่งนั่นคือ ความสงบคือสมาธิเห็นกิริยาของจิตมันวิ่งรับอารมณ์อะไรบ้างเห็นมันอะไรบ้างแต่การเห็นนั้นต้องสังเกตสังการให้ดีถ้าเราสังเกตสังการไม่ดีเราก็จับผิดจับถูกอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยมันคืออะไรเป็นอะไรมันอยู่กับกายให้รู้อยู่กับกายอยู่กับเวทนาก็คือรู้อยู่กับเวทนา อยู่กับกิริยาอาการของจิตยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของมหาสีปฐฐานหรือวิปัสนาข้อสำคัญที่สุดอะไรเกิดขึ้นดูให้ชัดเจนอย่าให้คาดอย่าคาดอย่าเดาคาดเดาไม่ได้ดูยังไม่ชัดคาดคาดเดาๆาแล้วก็พูดพูดผิดพูดถูกต้องระวังที่สุด สงบให้มันสงบอยู่นั้นอะ่ะยิ่งสงบมากก็ยิ่งได้กําลังมากจิตมันสงบก็คือจิตมันอยู่กับอารมณ์มันเดียวจิตที่อยู่หลายๆอารมณ์ยิ่งจับน้นจับนี้เห็นน้นเห็นนี้มีสติคากับจดจ่ออยู่จิตมันก็สงบอยู่กับอารมณ์มันเปลี่ยนไปอารมณ์นั้นก็รู้ทันเปลี่ยนไปอารมณ์นี้ก็รู้ทันแต่ดูสังเกตสังกาให้ดีไม่ใช่เราดูไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราเห็น ดูอย่าให้มีเราถ้ายังมีเราอยู่ปัญหามันสวมรอยไปเราไม่รู้จักรเห็นสักเท่าเห็นรู้อยู่สักเท่าไหรรู้แล้วเกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์ตัญหาไม่เกิดเกิดประโยชน์ตัญหามันเกิดมันก็สวมรอยเข้าไปเป็นอย่างเจ็บปวดนิดหน่อยมันก็อดก้อนทนไม่ไหวเพราะมันสําคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บเราปวดมันไปยึดว่าเป็นเรา ถ้าหายึดว่าเราเห็นเห็นอะไรเห็นกายก็บอกกายเราเห็นเวทนาก็บ่าเป็นเวทนาเราคำถามแทรกเข้ามาเห็นสักเท่าเห็นแล้วก็ดับไปเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงดูมันต่อเนื่องไปตัวที่เป็นพลังอย่างหนึ่งก็คือสมาธิสติกับสมาธิเป็นกําลังหนุนเราอย่า ดูให้ชัดเจนอย่ยาคาดอย่าเดาสังเกตสังกายอยู่ตรงนี้ให้ชัดเจนอ้าวตั้งใจภาวนาทำมากๆทําให้บารมีินสีแก่กลา้ามากขนาดไหนก็มากขนาดของเรานี่ยเลยมากจนมันเกิดมันมีที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องเกิดเองมีเองเป็นเองไม่ใช่เราไปคาดไปเดาแล้วก็ยึดเอาคาดเดาแล้วก็ยึดเอามันไม่ใช่ ดูให้ชัดเจนจบข้อกำหนดด้วยก่อนนี่วันนี้เราสวดเวทนาแล้วก็เราก็สวดจิต แล้วก็เราก็สวดนิวรณิวรณ์นี่เป็นเรื่องของธรรมมันก็ธรรมทั้งหมดนั่นแหละแต่เขามาจัดเป็นบทธรรมนิวรณ์นิวรณ์แปล ว, ว่าเครื่องกันเครื่องขีดเครื่องกันกรมฉันทะถีนามิทะอุทธาจากกัจจกุตจักวิจิกิจฉากรมฉันทะพยาปาทะถีนามิทะอุทธาจากกัจจกุตจักวิจิกิจฉา การฉันทะยินด right. ีพอใจในกามพยาปาทะยินดีพอใจในพยาบาดทีนะมิทะงอ่งเหงาหาวนอนอุท so, uh, ัดจักก oh, ุกุฎจัอุท bon ัดจังกุกุฎจังอุทัดจันติกุกุฎจันจัดจันติโอ้กุกุฎจังกุกุฎจัสอะไรไม่รู้นะศัพท์มันยากๆแล้วก็ป ทวนทีมันคล่องดีเวลามาอ่านอ่านให้มันคล่องอุทัศจักกุกุ จ, จักพอเวลามันมาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลีมัน ก, มนก็มันก็ไปได้ง่ายมันก็ไปได้คล่องแปลว่าฟุ้งซ่านรําคาญอุทัศจักกุกุ จ, จักอารมณ์ภายในใจของเราอารมณ์ที่เป็นนิวรนเครื่องเครื่องมาขีดกันที่เราจะเอาจิตมาใช้มันมีอารมณ์ที่ท่านท่านสุปมาแล้วมีแค่นี้แหละ มีอารมณ์เรื่องกามจิตพอใจเกี่วกับเรื่องกามเรามาภาวนาะจิตสงบมันสงบไม่ได้มันถูกอารมณ์ของกามดึงไฟกามฉันทะพอใจในกามคำว่ากามในที่นี้มันไม่ใช่กามราคะเหมือนอย่างชาวบ้านเราเข้าใจคำว่ากามในที่นี้หมายความว่าจิตของเรามันติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรที่มันล่วม่วง ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปแล้วเนี่ยมันนึกคิดข้างในนึกคิดในใจท่านเรียกว่าธรรมารมธรรมารมท่านเรียกว่าธรรมารมจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นปิณเป็นรถเป็นสัมผัสก็ตามกลิ่นล่งไปแล้วเนี่ยที่เป็นรูป<ม>จิตพอใจคดิดถึงเรื่องนั้นประวัติถึงเรื่องนั้นรวมทั้งกรรมราคะด้วยเพราะอนั่นมาเป็นยอดของกรรมแต่ตัวนั้นเองมันจะละเอียดลึก ก็ไปอีกเพราะมีตัวนั้นแหละมันถึงมีตัวนี้ถ้าเราเริ่มละตัวนี้ได้ตัวนั้นก็จะเริ่มเดือดร้อนถ้าเราละตัวนั้นได้ตัวนี้ก็หมดไปแต่ตัวนั้นมันจะละเอียดกว่าตัวนี้มันจะมีเยื่อใหญ่มากกว่าเป็นรูปเป็นเสียงธรรมดามการราคะมันรวมมาถึงความกำหนัดกายกำหนัดจิตกำหนัดการราคะนี่คือกวามฉันทะทยาปาทะก็จิตนึก เรื่องพยาบาทปองร้ายมันไม่นึกเรื่องรักมันก็นึกเรื่องชังพยาบาทก็คือเรื่องของคือเรื่องเรื่องชังคิดปองร้ายปองร้ายหมายถึงอะไรปองร้ายหมายจะแก้แค้นหมายจะเอาคืนหมายจะเอาชีวิตหมายจะเอาเป็นเอาตายหมายทุกอย่างที่จะเรียกว่าพยาบาทพยาบาทปองร้ายปองร้ายมุ่งร้าย คิดร้ายพยาบาทจิตถ้ามันไม่คิดเรื่องรักมันก็คิดเรื่องชังระดูนมันเป็นกิริยาของจิตมันเป็นอารมณ์ของจิตนิวรณ์หการมชันท่พยาบาทะทีนะมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอกุตจักกุกุจักแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยรวมไปแล้วมันเป็นอารมณ์ที่เป็นจิตนั่นแหละ เราจะดูจิตเราจะต้องต้องดูนิวรนเราจะได้รู้อ๋อจิตรักอ๋อจิตชังอ๋อจิตโกรธจิตเกลียดจิตปิชาริสยาพยาบาทเราต้องดูอารมณ์ของจิตอย่างนี้เราไปดูตัวจิตตัวจิตตัวที่ผู้รู้รู้มันละเอียดเราดูยากการดูจิตนั่นแหะในกิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทัดให้ให้ดูอารมณ์ของจิต จิตรักจิตชังกิตโกรตจิตเกลียจิจิจชาริษยาิตพยาบาทจิตปองราจิตอะไรก็ต่ออะไรก็ตามแต่ให้มีสติระลึกรู้ทันจิตท่าเรียกว่าจิตจิตก็คือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ก็คือจิตจิตก็คือผู้รู้แต่ผู้รู้นมันละเอียดขึ้นโดยลำดับแค่เรามาพิจารณาผู้รู้จับกิริยาอาการของมันที่เป็นอารมณ์ของผู้รู้ อันนี้เขาเรียกว่าจับอารมณ์ของผู้รู้จับอารมณ์ของผู้รู้ไม่ใช่เราไปสักทะว่ารู้กับผู้รู้อันนั้นมันเป็นจิตส่วนที่ละเอียดที่เป็นส่วนของผลที่ละเอียดลึกเข้าไปแล้วเนี่ยเรามาพิจารณาดูว่าพวกเราแต่ละคนแต่ละคนเรามีอะไรบ้างที่เป็นผู้แสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราเราเห็นรูปเพราะอะไรก็เพราะเรามีจิต เราได้ยินเสียงก็เพราะเรามีอะไรก็เพราะเรามีจิตก็ประจิตจิตคือผู้รู้นั่นแหละคือธาตรู้นั่นแหละอืเราได้กลิ่นเราได้รสเราได้สัมผัสเนี่ยถ้าเราไม่มีจิตเราจะรู้เรื่องนะ้เรามีตาอยู่เราดูคนตายมีตาไหม <literal experiment> เห็นไหมไม่เห็นเพราะมันหมดจิตไปแล้วมีหูไหมคนตายมีหูแต่ไม่ได้ยินเพราะจิตมันไปแล้วมีจมูกไหมจมูกก็มีเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ไม่ได้กลิ่น เพราะผู้รู้มันไปแล้วมีลิ้นไหมมีลิ้นนะคนตานยไหมลิ้นแต่มันไม่รู้รสดอกเอาอะไรใส่เข้าไปมันก็ไม่รู้ดอกรสชาติคืออะไรเป็นไรเพราะผู้รู้มันออกไปแล้วมีกายคําว่ากายในที่นี้หมายถึงกายาประสาทกายาประสาทที่มันสัมผัสสัมผัสผตามผิวหนังเนี่ยทุกส่วนของร่างกายแม้แต่เส้นขนเส้นผมเนี่ย มีมดไปตายไปตอมขึ้นเกิดความรู้สึกท่านเรียกว่าสัมผัสสัมผัสคนตายมีไหมภาษาสัมผัสคนตายไม่มีหนังเ็มีไหมหนังมีแต่อะไรไปสัมผัสกัไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะผู้รู้มันไปแล้วเนี่ยเราดูนี้แหละนั่นแหละร่างกายเป็นสภาพที่ไม่รู้แต่จิตเป็นสภาพที่รู้เวลาจิตยังมีอยู่กับเนื้อกับตัวเราจิตก็ไม่ใช้กายนี่แหละ ใช้ผ่านความรู้สึกทางตาผ่านความรู้สึกทางหูผ่านความรู้สึกทง า, ากทงจมูกทางลิ้นทางกายประสาทสัมผัสนั่นแหละแล้วก็ใจรู้ใจใจรู้อารมณ์ภายในใจใจรู้อารมณ์ภายในใจใจรู้อยู่เฉพาะใจใจไม่มีอารมณ์ใจรู้อยู่กับผู้รู้คือใจอนันละเอียด อันนี้มันละเอียดใครทำความสงบให้ถึงขั้นนี้เราจะเห็นจิตเห็นจิตผู้รู้จิตถึงขั้นปัญญาเราก็จะเห็นจิตถึงขั้นละเอียดถึงขั้นทิ้งความสุขทั้งหมดก็จะเห็นจิตจิตโรออยู่เฉพาะจิตเนี่ยคือผู้รู้รู้ตัวเองรู้ตัวของตัวเองมีสติกำหนดจดจอรู้จิต ด, ด้วยตัวของตัวเอง อาศั ย, าายตัวสติตัวกิริยาของจิตสตินี้เป็นกิริยาของจิตสตินี้เป็นตัวเป็นตัวพลังเป็นตัวอุปกรณ์เป็นตัวเครื่องมือที่จะทําให้เรารู้กายกายคืออะไรเป็นอะไรรู้ได้ยังไง <S S S นอกจากกายแล้วมันก็มีเวทนาเวทนาคืออะไรเป็นอะไรเราก็มารู้เวทนา<ม>จิตรู้จิตค<ม>ําว่าจิตรู้จิต ในทีนี้หมายถึงมารู้กิริย า, าการของจิตที่เป็นรูปเป็นเสียงอ่านี่ก็เป็นเรื่องของจิตหรือจิตระกจิตชังจิตโกรธจิตเกลียดจิตพยาบาทเนี่ยนี่มันก็เป็นเรื่องของจิตท่านให้ดูอารมณ์ก็เอาผู้รู้นั่นแหละรู้อารมณ์สิ่งที่เป็นตัวนําสิ่งที่เป็นแกนนําในการรับรู้ในการรู้ที่เป็นอารมณ์ในปัจจุบันทันด่วนก็คือผู้รู้ที่ประกอบด้วยสติระลึก รู้อยู่ในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้านี่ก็เรียกว่าสติอเพราะฉะนั้นตัวสติตัวเดียวจะเป็นผู้นำทั้งหมดมีมีตัวนี้เป็นผู้นำเป็นผู้นำหน้าเป็นผู้มีแขมีความสว่างอ่โมหะอวิชชาครอบคลุมจิตไม่ได้ครอบงามจิตไม่ได้ทําให้จิตของเราเนี่ยรับรู้ตาเห็นรูปตาเห็นรูปอะไรเห็น ความรู้เนี่ยมันอาศัยตาไปเห็นรูปถ้าเรียกเป็นภาษาศาพท์ถ้าเรียกว่าจักวิญญาณวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้รู้แจ้งรู้แจ้งทางตาจักขุโสตะโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางหูรู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งทางลิ้นรู้แจ้งทางกายทางใจรู้จำเพาะใจอันนี้มันมีอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องไปติดตัวหนังสือ เรามาดูที่กิริยาอาการของมานะันพยายามศึกษากิริยาอาการของมาันเรื่องสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงศึกษาเรื่องสภาวะธรรมเหล่านี้มันเป็นความมีของมันความเป็นของมันมันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ที่เขาเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะคือความมีความเป็นมีตามไหมมีตามีรูปไหมมีรูปวิญญาณคือผู้รู้มีไหม เวลาตาไปสัมผัสรูปด้วยเหตุที่เรามีวิญญาณมีผู้รู้อยู่ในจิตของเราอยู่ในใจของเราอยู่ในกายของเราเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นชัดขึ้นรู้ชัดทางตารู้ชัดทางหูทังสมุกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เวลาความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราได้ยินได้ฟังหมดรู้หมดอะไรหมดแต่ถ้ า, าขาดสติกําหนดจดจอ่อไม่รู้เห็นอะไรเห็นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาไม่ได้คล้ายควรไม่รู้ได้ยินอะไรไม่ได้พิจารณาใคร่ครวร มาดูกลิ่นอะไรไม่สนใจม่าในนึกคิดไข้ครวนตามมาดูรสอะไรศนะักสิทวิ์รสมีรสอยู่จะลืมสังเกตสังการลืมพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้ามีสติกำกับจดจอ่อรูปมันก็เห็นศักดิ์ทธิเป็นรูปแต่ถ้าหากไม่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะกำหนดจดจอ่อรูปดีก็ยินดีรูปไม่ดีไม่ชอบใจไม่พอใจก็ยินร้าย ที่ท่านเรียกว่ายินดีกับยินร้ายีรท่านพูดถึงนิวรณนการฉันทะพยาปาทะถีนมิทะคือความง่วงเหงาหงนอนก็ทําให้จิตของเราในสงบไม่ได้จะมาพิจารณาทางด้านปัญญาการเอาจิตของเรามาใช้พิจารณาทางด้านปัญญาอนะยักย้ายผันแปรไปตามกิริยาอาการของอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของวิปัสนาวิปัสนาวิวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้ง อาอะไรมาเป็นตัวกิริยาที่ทําให้เกิดความเห็นแจ้ง <c oughs> ก็เอาสตินี่แหละเป็นผู้มาทําให้เกิดกิริยาเห็นแจ้งกิริยาอาการที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเอาจิตนี่แหละเป็นเป็นผู้มารู้อ <c oughs> ถ้าหากไม่มีผู้รู้กำบังกหนับกํากับกําหนดจดจอ่อการมัรทะเกิดง่ายพยาบาทเกิดง่าย ความงวงเหงาห่าวนอนเกิดง่ายถ้ามันไม่งวงเหงาห่าวนอนมันก็ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจิตรำคาญจิตเอาไม่อยู่ให้สงบก็ไม่ได้ให้เกิดปัญญาตามผนนจดจอรู้ปัญญาก็รู้ไม่ได้แล้วก็ความลังเลสงสัยจิตก็สงบไม่ได้เห็นอันนั้นก็สงสัยเห็นอันนี้ก็สงสัยสงสัยไปหมดกลายเป็นขี้สงสัยสงสัยสงสัยต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยถ้าสงสัยอะไรใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเกิดประโยชน์ สักเท่าไร่สงสัยเฉยๆหมายความว่าอารมณ์ภายในจิตไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างเกิดความสงสัยเคลือบแคลงสงสัยแต่ไม่ใช่พิจารณาและเกิดความสงสัยนี่คือนิวรนิวรณ์รทั้งหมดก็คืออารมณ์ที่เกิดภายในจิตดูไปแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันกับจิตตานุปภาภาัสสนาดูแล้วก็เป็นอารมณ์อันเดียวกันธรรมานุปัสสนาทั้งหมด ค, คือเป็นอารมณ์ที่เกิดภายในจิตทั้งหมด แล้วเราจะไปแยกแยะแม้แต่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทแม้แต่พิจาราริยสัตว์สี่<น>มันก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดต้องกำหนดจดจ่อดูสังเกตสังการพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่าพยายามไปเพ่งตัวหนังสือเราศึกษาเรื่องเหล่านี้ดูมาที่อาการ กำหนดจดจอ่อพิจรารเวทนาเนี่ยเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาคือเกณฑ์กฎเกณฑ์ของของการสัมผัสตาสัมผัสรูปชอบใจเป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจเกิดทุกขเวทนาไม่ชอบใจจะว่าชอบใจก็ไม่ใช่ไม่ชอบใจก็ไม่ใช่เป็นกลางกลางเป็นอทุกขมสุขเวทนาเวทนามีอามิตรกะรู้ เวสนาประสิยะอมิตรก็รู้คําว่าอามิตรก็คือมีเรื่องมีราวเช่นอย่างดีใจเพราะมีรูปไปสัมผัสรูปมีตาไปสัมผัสรูปดีใจเพราะมีหูไปสัมผัสเสียงเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีก็เป็นความไม่ชอบใจที่เรานิรามิตรสุขสามิตรสุขนิรามิตรสุขอกสุขมีอามิตรสุขไม่มีอามิตรทุกมีอามิตรทุกไม่มีอามิตรอทุกขมัสุขมีอามิตร ถ้าดูสุขไม่มีอามิตรคําว่ามีอามิตรไม่มีอามิ t h อีกก็หมายความว่ามันมีสิ่งมันมีสิ่งประกอบมันมีสิ่งประกอบที่เขาเรียกว่าอามิตรอา mith แปลว่าเครื่องปรุงเครื่องประกอบสิ่งประกอบตาเห็นรูปรูปดีเนี่ยรูปรูปนั้นแหละเป็นตัวอามิ t h อามิตรก็คือสิ่งของที่ประกอบกันขึ้นเป็นเสียงเสียงนั่นแหละเป็นอามิตร นี่คือเวทนาเกณฑ์ของเวทนามีอยู่สาอย่างอย่างหนึ่งแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างหนึ่งแสดงความทุกข์ให้ปรากฏอย่างหนึ่งสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แต่ถ้าจิตเห็นถ้าตาเห็นรูปตาเห็นรูปเวทนารู้ว่าเป็นเวทนายินดีเกิดไม่ได้ยินร้ายเกิดไม่ได้รู้อยู่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นอะไร ไม่พลอยไม่ไม่พ ล, อ ย, ลอยเกิดความกำหนัดความยินดีความชอบใจความกำหนัดคือความเกลียดความชังกำหนัดทั้งนั้นเลยยินดีก็กำหนัดยินร้ายก็กำหนัดไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายเห็นจักทว่าเห็นสุขก็สักทว่าสุขรู้ว่าสุขแค่นั้นก็จบแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัณหามันมาสวมรอยยินดีก็พอใจยึดเข้ามายึดเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามา ขวนขวายเข้ามาหาเข้ามาเราดูเวลามันเกิดในหัวใจของเรามันดิ้นรนมันขวนขวายไหมมันพยายามแสวงหาไหมเศะแสวงหาเป็นตายช่างมันขอให้ได้คอยได้คอยได้อไอสิ่งที่ทู่มใจเราจริงที่สิ่งที่ชอบใจเราลืมกําหนดจดจ่อไปดูที่เนื้องานว่ามันคืออะไรเป็นอะไรความหลงมันพายเราหลงหมดหมดหมดที่หมดแดนหมดเนื้อหมดตัวนี่คือเวทนาจากเบตาแล้วก็เป็นจิต ท, ที่เราสวนที่นี่ จตันติปจ า, านาติอธิเวทนาติวาปนัสสะสติปจุปถิตาโหช้สติกำนดสัตวรมมีสติกำนดจดจอรู้ว่าเวทนาสักว่าเวทนาอาศัยเวทนาเป็นเครื่องระลึกอาศัยสัตธว่าเวทนาเป็นที่รู้เป็นเครื่องรู้เวทนามีอยู่อาศัยเวทนาเป็นเครื่องระลึก อะไรเป็นตัวอาศัยสติมันอาศัยเวทนาเป็นตัวระลึกยับระยับทันแล้วก็ดับไปยับทันแล้วก็ดับไปตั้หาเกิดไม่ทันแต่แจะยับยินดีแล้วไปยืดไปไม่ยินดีก็ยืดไปไม่ยินดีก็คือยินรายพยายามผลพยายามดันพยายามเตะพยายามถีบพยายามยกพยายามโยนโยนไปให้พ้นพ้นความชอบใจ มีโทษเท่ากันยินดีก็มีโทษเท่ากับความยินร้ายเพราะเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของตันหาแต่หน้าหนึ่งของมันยินดีหน้าหนึ่งของมันยินร้ายแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชาย<อ>ผู้หญิงชอบใจกันยึดเข้ามา ก, ก็เป็นเหตุให้สามัคคีปรองดอกมันก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่มันด้วยความกำหนัดด้วยความชอบใจมันก็ร้ายที่ร้ายกาก็คือยินร้าย อาจจะผลักกันอาจจะติอาจจะถีบกันเอะโวยวายขึ้นมานั่นคือข้อของมันมันก็มีอย่างนั้นเนี่ยพิสูจ์ของมันก็แสดงออกมามีแค่นี้เองถ้าเรามารู้หลักใหญ่ข้อใหญ่ใจความของมันต้นต่อของมันที่แท้จริงของมันก็คืออันนี้มนุษย์เราเนี่ยกริยาการทุกอย่างมันเกิดจากตรงนี้มีขึ้นอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราพยายามศึกษาให้เห็นสิ่งเหล่านี้คืออะไรเป็นเราไหมเป็นของของเราไหมไปยุทธ์อะไรได้สักอย่างยึดอะไรไม่ได้ ความยินดีแสดงว่าเราไม่ทันความยินร้ายเกิดแสดงว่าเราไม่ทันคําว่าเราในนี้หมายก็บรรติธรรมปัญญาธรรมมันเจริญไม่ทันมันเกิดไม่ทันแต่ถ้าหาผู้ตั้งใจเจริญมหาสติปัฏฐานเนี่ยมีสติกําหนดจดจอยอยู่ทุกกิรยิย์ทุกรยาทุกกิริยาทุกอาการของจิตกําหนดจดจ อ, ดอยอยู่เฉพาะหน้าอย่างงั้นเนี่ยจิตไม่หลงอวิชชาไม่ครอบงํา มีสติกำหนดจดจ่อสติถ้ามันโร่อยู่เหมือนกับมันสว่างอยู่ตลอดความมืดครอบงําไม่ได้พอความมืดมาครอบงําั๊ปับป๊บแป๊บเดียวควานึกไปเรื่องอื่นแล้วแป๊บเดียวพานึกไปเรื่องอืนนองอ่นแล้วเราพยายามดูกิริยาการเรื่องจริงของมันมกิริยาอาการตัวจริงๆของมัที่มันเกิดในหัวใจสังเกตสังการอยู่ตรงนี้แหละมีงานมากมายที่เราสังเกตสังกาเพืเจอห่า การที่เราสังเกตสังกาพิจารณาความเป็นไปของจิตอย่างนี้นี่แหละท่านเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาให้รู้เท่าทันด้วยความเห็นแจ้งให้รู้เท่าทันด้วยความเห็นแจ้งที่ท่านเรียกว่าวิปัสนาเร า, ากำหนดจดจ่อทำไปจนกว่ามันจะเป็นเองจนกว่ามันจะเกิดเองจนกว่ามันจะเป็นเองปราศจากกความความกำหนดจดจ่อ พระสาความมีเกตจำงวิปัสนาเกิดขึ้นมาเองเนี่รหละท่านเรียกวิปาาัสนาญาณวิปาาัสนาญาตเกิดขึ้นมาเองแต่หาเรายังคดัคดค้านเดาเดาคิดคิดค้ดคนๆก็คือเป็นแง่ ม, มุมของวิปัสนาเฉยๆมันเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ผลที่แท้จริงยังไม่ปรากฏทำยังไม่พอทำอยังไม่ปรากฏ ถ้าเราจะถูถ e ูไม้เกิดไฟคือไฟยังติดไม่ได้มันยังไม่เกิดวิธีนี้เป็นวิธีให้เกิดไฟอยู่แต่เราทํำยังไม่ถึงเราถูยังไม่ถึงถูไปถูๆูถแล้วก็หยุดถูๆูถแล้วก็หยุดไฟมันเกิดไม่ได้แต่วิธีนี้แหละเป็นวิธีที่จะทําให้เกิดการกําหนดจดจ่อแบบนี้แหละทําให้เราเกิดปัญญาถึงขนานก็ตามปัญญายุบหยุบยิ้มย้ปัญญาแปลกประหลาดอัศจรรย์ มันก็ทําให้เกิดขึ้นทําให้เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอ่ามันไม่ใช่มันจะคงที่มันสับมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่มันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวมันยังไม่ถึงจุดที่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองยังมีกระหนดจดจ่ออยู่ตั้งอกตั้งใจที่จะให้มีที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ยังคาดอยู่ยังหมายอยู่ยังเดาอยู่ผลที่แท้จริงเกิดยังไม่เกิดเกิดไม่ได้ยังไม่เกิด ทำเกิดไม่เกิดก็คือไม่เกิดนั่นแหละทําทจนเกิดนี่เวทนาทั้งเวทนาก็ตามเวทนาสักว่าเวทนานัติเวทนาทิวาปนาสัสสะสติปัจจุปปชิตาโอติ phrase. ยาวัเดวะยานามัมตายะสติปติมัตายะ heh. ไม่ให้ความไม่ให้ความโลภเกิดไม่ให้ความโกรธเกิดไม่ให้ความยินดีเกิดไม่ให้ความกินร้ายเกิดอาศัยสติสักใช่ว่าระลึกรู้ อธิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปปิตาโหติเอาสติเป็นผู้รู้โรู้จเพาะหน้าว่าจิตมีอยู่อาศัยย้อนไปดูจิตสักด์ทวิจิตเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องรู้แต่ดูปฏิจิตไม่เห็นนะต้องดูปฏิอารมณ์จิตระจิตชังจิตโกรธจิตเกลียดก็นิวรนิวรนทำทั้งห้านั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตทำทั้งหมดนั่นคืออารมณ์ของจิตเราว่าอะไรถูกทั้งหมด่ะ กำหนดทุกกำหนดสมุทยัยกำหนดนิโร่กำหนดมรกำหนดอริยมรมีมองค์แปดถูกทั้งหมดมันเป็นอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นภายในจิตเอาจิตกำหนดจดจ่อดูนั่นเป็นอารมณ์ภายในจิตกำหนดดูอารมณ์เหล่านั้นแหละเพื่อที่จะตามไปดูจิตเพื่อที่จะเห็นจิตรู้ทันพระนับอารมณ์ดับอารมณ์เหล่านั้นรู้ว่าอารมณ์เป็นอารมณ์จิตเป็นจิตตอนนี้เราแยกจิตยังไม่ได้ เราแยากจิตยังไม่ได้อาศัยจิตกับอารมณ์มาสัมผัสสัมพันธ์กันก็เหมือนอย่างเราดูลมเนี่ยอ้าวสายตาเราธรมาธรมดาจำดานเราดูลมเราดูเห็นไหมเราดูลมเราดูไม่เห็นเราดูไม่เห็นแต่ถ้าลมมันไปสัมผัสยอดหญ้าไปสัมผัสยอดไผ่เอนไปเอ็นมาเสียงออดอดอดอดอดออดเสียงไม้ไผ่มันเสียดสีกัน เห็นใบไม้มันไหวมันติง่งมันอะไรแต่ไรนั่นหรือคือกิริยาที่ลมมันไปสัมผัสแต่ตัวลมเราเห็นไหมเราไม่เห็นก่อนที่เราจะเห็นจิตเราจะต้องเห็นกิริยาอาการเหล่านี้ก็ผู้เห็นนี่แหละคือจิตก็ผู้เห็นนี่แหละคือจิตผู้รู้โรู้นี่แหละคือจิตแต่จะต้องเป็นจิตที่มีสติมีสัมผัจัญญะเป็นตัวของตัว ไม่ใช่ตัวอะไรมาครอบคลุมมิดมิดหาเงียบไปมิดหาเงียบไปรู้สว่างรู้เห็นกิริยาการกําหนดจดจอ่อเห็นกิริยาการเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลง น, นี่คือเห็นอิริยาของไตรลักษณ์อันนั่นแหละคือกิริยาอาการที่เราจะพึงพิจารณาของสังขารทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเหตุให้เราเบื่อเรานายเราคลายเราจาง เอาการเบื่อหน่ายคลายจางเป็นเกณฑ์เป็นประมาณไม่ใช่เห็นสักเท่าไหรเห็นผลความเบื่อหน่ายคลายจางยังไม่มีเห็นแล้วยึดว่าเป็นเราว่าเราเห็นเราเห็นเราเห็นโอ้เราไม่เห็นโอ้เราไม่เห็นเราไม่เห็นไม่มีเราเข้าไปเห็นเข้าไม่เห็นเห็นแต่กิริยาอาการไม่มีผู้บอกว่าเราเห็นไม่มีผู้บอกว่าเราไม่เห็นเห็นแต่กิริยาการของมัน ความถือเนื้อถือตัวเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เราดูให้เห็นความถือเนื้อถือตัวความที่จิตมันถูกกิเลมันเป่ามาให้ถือเนื้อถือตัวเราดูเวลากําหนดจดจ่อมาดูข้อที่แท้จริงของมันแล้วคืออะไรเป็นไรมันไม่มีอะไรหลงไปตามกิริยาอาการของมันเฉยๆรู้ไม่ได้กาหนดจดจ่อไม่ได้ทราบไม่ได้มันมีแต่กิริยาอาการนี่สมุทัยของตันหา กิริยาการของตัณหาภายในจิตเหล่านี้มีแต่กิริยาการพอเวลาเราสงบระงับดับกิริยาการเหล่านั้นหมดไปมันก็หายตัวไปเลยไม่มีไม่มีอะไรเป็นที่ปรากฏเป็นร่องรอยเหลืออยู่เหลืออยู่แต่ขันนี่คือร่องรอยของมันเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอันนี้เป็นร่องรอยของตัณหา เพราะอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังของตันหาตันหามันมันเป็นคนสร้างมานี่เป็นร่องรอยเป็นเนื้อเป็นหนังของมันนอกจากมันมันสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็เราก็โยงหลงกิริยาการหลงระบบระบบที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยเพิ่มให้มันอยู่เรื่อยสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยเพิ่มให้มันอยู่เรื่อยมันก็สร้างอยู่อย่างนี้แหละไม่จบอยินดีเกิดขึ้นยึดเข้ามาเกิดตันหาเกิดอุปาทานเห็นไหม ยินร้ายขึ้นมาก็ยึดเข้ามาเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นพยาบาทเป็นปองร้ายเป็นฆ่าเป็นแก่งเนี่ยมันก็เป็นการสร้างสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างผลเพิ่มให้กับมันนี่มันมีระบบระบบสร้างลูกสร้างหลานสร้างลิ้นให้กับตัวมันเองไม่ใช่ว่ามันส่งเรามาแล้วมันแล้วนะยังไม่แล้วมันส่งมาสร้างระบบระบอบให้กับตัวมันเอง เพราะฉะนั้นตัวเก่ามีอยู่แล้วตัวใหม่สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยจนมีอำนาจจนมีพลังมันยึดเกาะอย่างเหนียวแน่นมั่นคงจิตดวงนี้เป็นธาตุของมันเป็นธาตุของตัณหาจิตดวงนี้เป็นธาตุของมันเป็นธาตุของตัณหามันเป็นตัวกาฟามันเป็นตัวกาฟาภายในจิตยึด กาจนเป็นเนื้ อ, อันเดียวกันโดยที่เรารู้ไม่ได้มันเป็นตัวกาวฝายึดกาะอันเดียวกันดูดน้ําดูดเนื้อดูดอะไรตัวอะไรเนี่ยไปกินไปเลี้ยงไปเลี้ยงลําต้นของมันกดตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเรานี่แหละที่มันดูดไปเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนของมันในเมื่อเราระ ง, งับดับสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านี้คือร่องรอยของมันรูปก็คือสักเทวดรูปไม่มีพิษมีสองอะไร แต่หากมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปสลายไปเวทนาก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้รามได้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเจ็บเจ็บหายเจ็บปวดหายปวดยินดียินร้ายยินดียินร้ายหมดไปยินดียินร้ายหมดไปเจ็บปวดก็สักแต่ว่าเจ็บปวดไม่มีผู้ไป็นรักษา เราเจ็บไม่มีผู้เปยพระหวจนะเราปวนเวทนาก็สักถว่าเป็นเวทนาสัญญาสังขารสัญญาก็แสดงกิริยาความจดจําสักถวะสัญญาสังขารก็สักถว่าปรุงปรุงรู้ทันแล้วก็ดับปรุงรู้ทันแล้วก็ดับเยบเย็หมือนลตาท่านว่ามันมันไม่มีเจ้าของเหมือนหางชิงเหลนไม่มีเจ้าของท่านว่าขาดดินดับดับดไม่มีเจ้าของมันไม่มีเจ้าของเจ้าของมันคืออะไร ใครตอบได้บ้างเจ้าของมันตันหานั่นแหะคือตัวเจ้าของมันตันหามันตายไปแล้วเจ้าของมันตายไปแล้วมันเหลือสกิริยาอาการมันดิ้นแดาวดาเดแต่ไม่มีผิดสงอะไรวิญญาณก็สักเท่าทสัมผัสไปเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติที่ยังมีมันยังมีอยู่ตราบใดที่เรายังไม่ตายเราก็ต้องอาศัยมันอยู่ผู้รู้ของเรายังอาศัยมันอยู่ แต่มันไม่มีตัวผู้ไปยึดไปถือไปสําคัญมั่นหมายเราจะพิจารณายัางไรเราจึงจะสามารถถอดถอนสิ่งเหล่านี้ได้อันนั้นแหละคือพลังคือเรี่ยวแรงของเราคือสติคือความสามารถคือปัญญาของเราที่จะพิจารณาเพื่อให้เห็นตัวนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนโดยประจักษ์การจงใจคัดค้านเดาเดายึดเอาถือเอาสาคัญมั่นหมายเอานั่นจนกว่าของจริง จริงแท้แน่นอนจะปรากฏในหัวใจของเราสู้ถึงขั้นเป็นขั้นตายสู้ถึงขั้นไหนเราก็ต้องสู้ทูเจ็บสู้ปวดตราบใดที่ยังเจ็บยังปวดอยู่ก็เรายึดอยู่เราถืออยู่อะไรยึดก็ผู้รู้ที่ตัณหามันเคลือบแฝงเข้ามามันยึดเข้าไปโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดหลังปวดเอวปวดหัวเข่าปวดตรงนั้นตรงนี้ โอยเราเป็นตับเป็นไตเป็นมะเร็งสารพัดแล้วแต่มันจะว่าเราเป็นเราเป็นทุกไหมที่นี่เพราะเราเอาเราไปรองครับเราก็ทุกดูเห็นสักจธว่าเป็นกิริยาการที่มันมีมันเป็นสักจธว่าเป็นสภาวะที่มันพึงมีพึ้นเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ของเรามันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเราพิจารณาดูเฉพาะหน้า ไอ ต, <ม>ตัวผู้รู้เนี่ยมันแจ็งออกมาไหมมันแจกออกมาแทนที่มันจะยึดมันไม่ยึดอาศัยว่ามีกิริยาแบบนี้เราจึงสามารถละกิเลสได้ละตัณหาได้มันมีผู้รู้ที่จะพึงถอนตัวออมาถอนตัวมาถอนตัวออกม า, ถ อ, ออกมาถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาทุกมสมุทยัยทุก<ม>ท่านจะให้กําหนดรู้เพื่อที่จะย้อนไปดูสมุทยัยนั่นเวลาละแท้ละตัวสมุทยัยไม่ใช่ละตัวทุก ไม่ใช่ละตัวกายไม่ใช่ละตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาแต่ละตัวสมุทยัยสมุทัยคืออะไรคือตัณหาดูเห็นไหมดูเห็นว่ามันดีนดดิ้นในหัวใจของเราดูที่มันคอยเคลือบแฝงมาดูมันละเอียดสังเกตสังกากำหนดจดจอด่อดูมันจะเห็นมันจะเห็นมันแสดงกิริยาเคลือบแฝงมากับผู้รู้ของเรา เอาผู้รู้ของเราดึงผู้รู้ของเรามาใช้นี่ตัวตันหาแปลว่าความเสียเทยานหยาบของผู้รู้ต้องมาดัดกันจนหมดความเสียทยานจนเชื่องจนชินถ้าเป็นสัตว์ก็เอามาเข้าเข้าแอรเข้าไถเข้าล้อเข้าเกวียนจนเชื่องจนชินแล้วไม่มีการดื้อรั้นอะไรแล้ะหมดพิษหมดสองแล้วเอามาใช้งานได้อืม หมดกิริยาการะดับไปหมดแล้วเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีผู้มาจับมาจองโรูปก็สักทาไหรเป็นรูปไม่มีใครมาจับมาจองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเลีย่ยงไม่มีใครมาจับมาจองว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราตราบใดที่เรายังจับจองอยู่อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาทิฏฐิมานะมันก็โผล่ขึ้นมาคนที่มีทิฏฐิมานะแรงสักเท่าไหร่การยึดถือ ถือเนื้อถือตัวมากเท่านั้นยึดถือตัวตนมากเท่าไหร่โมโหโธโสเครียวกระดก็มากเท่านั้นเราดูเถอะเวลามาระเบิดออกมาแรงคือแรงอะไรแรงของการยึดของการถือที่มันผลักดันออกมาแรงถือเนื้อถือตัวตัวเดียวนี่แหละทําให้โลกนี้วุ่นวายเดือดร้อนไปหมดมนุย์เราทะเลอบบอาะเบาะแงหาเรื่องใส่กันมีโรงมีศาลมีคดี ม, มีตำรวจมีทหารก็เพราอะไรเพื่อที่จะมาระงับสิ่งเหล่านี้เพราะมันรุนแรงมันรุนแรงจนจําเป็นจะต้องมีผู้ดูแลเป็นผ well. ู้กํากับดูแลเป็นผู้มาวินิจฉัยว่าหยุดเพื่อจะยุติเพื่อที่จะชะลออ้อยอย่างนั้นถูกอ้อยอย่างนี้ผิดมาพิพากษาอัดคดีอะไรเท่าไรแก่กันและกันเห็นไหมพวกเรามาทําแต่เพื่อนแต่ภายปลายเหตุของมัน ต้นเหตุที่แท้จริงเราไม่เคยไปศึกษารู้ไปถึงก้นบึ้งของมันการทั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละพยายามสาวไปหารู้ลึกละเอียดไปถึงก้นบึ้งของมันพอเรารู้เขา้าเข้าไปถึงแล้วมันก็สลายไปเหมือนกับเราส่องไปในที่มืดนั่นแหละพอเราส่งไปแล้วพวกอสสารพิษอะไรที่มันเคยอยู่มันก็ห น, นีกระเจิงไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรเหมือนเราเปิดกลาที่คว่ําตอนที่มันคว่ำอยู่มันมืด มีอะไรแอบแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้เพราะเราหงายคว่ำอยู่มันไม่อยู่เรามันหลบไปอยู่ที่อื่นมันไม่อยู่เรกจิตของเราที่เราเปิดจ้าขึ้นมาด้วยสติด้วยสัมพัญยะด้วยปัญญามันมีโมหะอาวิชชาเหล่านี้ไม่มีครอบงําอยู่ความล่มหลงไม่มีครอบงำอยู่อวิชชาคือความมืดสนิทของจิตมันไม่มีมีแต่ความสว่างเป็นวิชชาเป็นความรู้ กรามากำหนดจุดจ่อดูผู้รู้รู้รู้ดูเยมันมีไหมตัวผู้รู้เนี่ยรู้สิยืมวิ่งรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับสัมผัส น, นั่นแหละเป็นตัวสติเป็นตัวจุดประกายความรู้ความฉลาดกับจิตของเราอย่าสังเกตสังกาพยายาม ต, ต, ต, ตั้งใจกำหนดจดจ่อ ม, มีเป็นงานที่เราทำข้างในทำไมเราจะรู้เท่าทันกลอุบายมายาของตันหาที่มีอยู่ในหัวใจของเรา ถ้าเราไม่ศึกษามาตอนนี้เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจที่เราทํานู้นทํานี้ทํานี้ทํานั้น<ม>เพื่อต้องการจะไปกีดไปกันไปบดไปบงังไปงดไปเว้นไปฉลอเพื่อฉลอกําลังของมันเช่นอย่างให้ทานก็เพื่อปฉลอความโลภเฮสละทานก็ไปสละเข้าไปสละเข้าไปสละเพื่อฉลอความโลภสละเข้าไปก็คือทําลายความโลภ มันโลภโลภเขาว่าโลภก็คืออยากได้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักพอเพื่อบดบางความโกรธมีสติมีปรรัญญารู้เท่าทันรักษาให้ทานให้ทานให้เข้าไปรักษาศีลก็รักษาเข้าไปเพื่อส ง, สงบระงับสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันมีเรี่ยวมีแรงมากจนเกินไปวิธีการที่พุทธิยถาให้ทําเอาทานให้เข้าไปศีลรักษาเข้าไปจิตตะล่อมให้มันสงบ เพื่อบั่นทอนกำลังของมันจิต ท, ที่สงบก็คือสงบด้วยการกำกับด้วยสติด้วยสัมผชัญญาท่านจะให้อยู่กับอารมณ์เดียวจนจิตสงบอารมณ์ันเดียวนี่แหละเป็นอารมณ์ของสมะถะทําให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ันเดียวไม่ให้เรามันสับสนไปกับเรื่องนู้นกับเรื่องนี้กับกิริยาอาการของมันเป็นอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าเราพิจารณาการยักย้ายผันแปรของอารมณ์ ให้รู้อ้อมันเกิดขึ้นอย่างนี้อ้อมันตั้งอย่างนี้อ้อมันเปลี่ยนไปอย่างนี้กําหนดจดจอ่อตามดูกิริยาการของจิตเหล่านั้นนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์หนึ่งให้จิตหยุดนิ่งอยู่กับที่อารมณ์อีกอันหนึ่งก็คือให้จิตตามรู้จะอยากตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมพิจารณาธรรมมันเป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา มันเป็นทางดาเนินพอเราทําไปทําไปทําจนชินจนวิปรศาสนาเกิดนู่นคือผลที่แท้จริงปรากฏปรากฏขึ้นเองมันเป็นเองเราไปข้าดเป็นดาวไม่ได้มันเป็นเองผลเรานี้ทาจนเป็นเองเหมือนอย่างเราถูไม้จนเกิดไฟเวลามันเป็นมันเป็นเองเปลวไฟมันเป็นเองแต่มันเกิดจากแรงที่เราเสียดสีนั่นแหละแต่เวลามันเกิดเป็นเปลว มันเป็นเอง<ม>ไอ้ไม้กับเปลวไฟเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนปัญญาที่เราต้องการจาับต้องการทำมันก็ไปอย่างนี้แหละร<ม>ปจากสติจากสัมปชัญญะจากปัญญาจากสัญญาอารมณ์นี่มาขัดมาสีมนตะล่อมมารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้ า, ขาทั้งขะทั้งเดาทั้งคิดทั้งคนทั้งนูน้นทั้งนี้สักหน่อยหนึ่งอ่ามันมีกำลังพอมันก็มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นที่ประจักษชัดเจนในหัวใจของเราโอ้โอ้อย่างนี้อ่ะเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วอืมนี่คือการตั้งใจภาวนาเพื่อผ่อนคลายจิตของเราไม่ให้มันแข็งมันกระด้างในหัวใจของเราทําจนกิริยาเหล่านี้มันมันอ่อนไปอ่อนไปจางไปแล้วก็หมดไปในที่สุดเราดูในวิชาพระพุทธเจ้านะละเอียดมากละเอียดมาก หลี่อะจนกี่เดือนแล้วนันมักเลี้ยวแฟนหัวใจมันราไม่ได้วันพรุ่งนี้วันอาสารหะไปหาบทธรรมจักรมาสวดกันนะวันพรุ่งนี้หาบทธรรมจักรมาสวดกันหาเราอาจจะอยุดดึกกว่าเดิมสักหน่อยก็ได้พรุ่งนี้เราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่หรืออยู่สไลใหญ่เลี้ยงยุงสักวันหนึ่งได้ไหม มันอยู่ที่สไลา์ใหญ่มันที่คนอาจจะเยอะกว่านี้คนเพิ่มมาอีกนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่พอนั่งแล้วดูก่อนดูภาวะมันเหมาะจัดที่นู่นหรือที่นี่เดี๋ยวเราจะบอกอีกที่หนึ่งตรงนี้หาบทธรรมจักรมาสวดกันนะตรงนี้อาสารหาอาสารหายแปล ว, ว่ามันเพลินแนด มันเป็นวันแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกับพระอัตนาสูตรเป็นสูตรแรกเป็นเทศการแรกของพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้เราต้องสวดกันเรามีการสวดกันเราอาจจะเลิกนึกหน่อยก็ได้พรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็คือวันเข้าพรรษาแต่วันพรุ่งนี้อาหารเราขึ้นสลาเหมือนเดิมวันพรุ่งนี้นะวันพระเราขึ้นสลาเหมือนเดิม แต่พอวันเข้าพรรษาปั๊บเราถึงสะดงกันทั้งหมดเราไม่รับอาหารบนสาลาในครัวเราก็ทำทำตามที่เรามีเรี่ยวแรงทำยังไงพระเราก็มันเราก็ไม่อดดกเก็ดูเอาแบบที่เราเคยทำนั่นแหละตอนเช้ามาก็มาดูโอ้พระลงกี่องกี่องกี่องไปดูคร่าวๆแต่วันไหนท่านลงเยอะ ท่านลงเยอะแล้วก็อาจจะทาไม่ครบแต่ท่านเอาไม่อดดอกท่านก็ไม่อดอคนใสบาทมานท่านก็ยินดีตามที่ได้อยู่แล้วได้เท่าไรท่านก็ยินดีตามนั้นอยู่แล้วบางองท่านก็เอาเฉพาะในในบ้านเดีมาถึงว่าท่านไม่เอาก็มีในบ้านได้หอได้หมกได้อะไรเอ้าวันนี้เราได้ยังไงเราเอาอยางงั้นเลยอ่า มันยังเป็นท่านจะมาหวังเฉพาะหน้าหน้าวัดก่อนที่จะขึ้นสลาไม่ใช่เราได้เราบินธบได้อะไรได้หมกได้หออะไระได้กล้วยสองหน่วยก็เอาแค่นั้นก็นกนอยู่ได้แล้วใช่ไหมวันนั้นวันไห น, นวั น, น, นวันไหนได้กล้วยสองหน่วยเนี่ยโอ้ขลังมากวันนี้ขลังมากกรรมฐ า, า, านเราขลังมากวันนะ้เนาะอ่า ยินดีพอใจมันไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับทําความยินดีพอใจตามที่เราได้ตามที่เรามีตามกําลังปลีแค่งที่เราได้เราจะมาหวังแต่อาหารในครัวเราเอาไปบินนะ่ะได้ยังไงเราก็เอาอย่างงั้นใด้กระปุกฝักหนึ่งโอเยี่ยมแล้ว <laughs> เอาในกล้วยสองน้ยอยอ่า น้องตาท่านพาถือหมดเน่พาถือหมดแล้วก็ใส่บาทรับบาทข้างนอกหมดท่งเอาไว้เราไม่ส่งแล้วใครจะส่งมันจะหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยอวิธีการที่จะสงบระงับดับตันหานะ่ะมันเทาความยากมากๆความดิ้นรนความชื่อทยานนี่เป็นวิธีการจากนั้นแล้วก็ทดลงข้ออื่นๆแล้วไปศึกษาเอาเนสชิกเนี่ยแล้วก็เนสชิคไปเป็นวันๆไป เอาทุกวันไม่ได้ดอกเนสชิชิเป็นวันๆคำว่าเนซชิชิคือไม่นอนยืนเดินนั่งไม่นอนแต่ห้ามไม่ให้หลับไม่ได้เพราะมันง่วงนะเดี๋ยไปเดินจนกรมนเนีวยไปกอดต้นไม้แล้วก็ลมพับกองอยู่แล้ว น, นะ <c oughs> เขาไปเอฟขโมยถ่ายรูเปเราเนสชิชิเนสชิชนะิเนสชิชิเราอยู่ที่กรุดก็ได้เราไม่ต้องนอน นั่งนั่งไม่ให้มันหลับระวังที่สุดเรื่องไม่ให้มันหลับแต่มันจะอยู่ได้แต่เมื่อเราผ่อนอาหารก็รอดอาหารเนี่ยร่างกายมันไม่เหงาหนอนแต่จะไปตั้งใจจะอดแล้วไปฟาด ก, กาแฟตายนะกาแฟเนี่ยกินมากมากกินมากๆนะเนี่ยตายนะกาแฟนะยิ่งไอ้กาแฟอะไรทีอินวันนี้เราเห็นเขาเอามาถวายเรากลัวกลัวพระวังองค์จากไปกรำหนึ่นตายแล้ว นั่งกินนั่งกินแต่กาแฟหมดนะักตายพอดีหละเป็นบ้าซะเลยบ้ากาแฟระวังให้ดีนะนู้จากอันไห น, นเป็นโทษอันไหนเป็นคุณด้วยนะอยากละมั่นระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีด้วยอืมวันพรุ่งนี้เราก็เอาอาหารขึ้นสลามเหมือนเดิมพุกงนี้เราก็จะมีให้ให้สินให้สินแปดพรกนี้เริ่มรับสินแปดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ไอ้สแปดแล้วก็วันเข้าพรรษานั่นนะ่ะวันนั้นนะ่ะเรารับทุนหลงข้างนอกวันพรุงนี้เราเอาขึ้นชลาได้แต่พระที่ท่านถือมาแล้วท่านก็มีอยู่ก็เหมือนอย่างที่เราไปใส่ทุกวันทุกวันนะั่นแหละเอาพอดีพอดีพอประมาณพอประมาณหากเหน็ดเหนื่อยแต่เรารักษาข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาไว้มันก็ทำให้เรามีกำลังใจ จากนั้นแล้วใครก็สมารทานทุตดงข้อไหนเพิ่มอีก อ, อดนอนผ่อนอาหารอดนอนผ่อนอาหารนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนให้ได้เนสชิกเนสชิกไม่รับอาหารตามทรงนี่เป็นสองชั้นไนบาด มีตบากเป็นแถวเนี่ยเป็นสามเป็นสี่แล้ว<ม>ชั้นที่เดียวชั้นมือเดียวเนี่ยเป็นห้าแล้วตั<ม>ดง<ม>ที่พระเราทําอยู่ทุกวันที่เราลอยได้เราก็ได้สี่ตัดวงห้าตัาดงนั่นฉะนั้นเราเนรซาชิไม่หลับไม่นอนนั่งภาวนาสู้เวทนาไปเป็นคืนคนเนี้ยครึ่งคืนเนี่ ย, น, น, ยนั่งอดทนสู้ไป สงบหรือไม่สงบก็ตามอาศัยเรี่ยวแรงคือความบดความทนการต่อสู้ดูความเจ็บความปวดดูจนว่าไม่มีเราเจ็บไม่มีเราปวดดูนั่งทิ้งไปเลยกายนี้ยถ้ามันถึงขั้นนั้นเนี่ยมันมันไปไม่ได้ดอกดูทิ้งไปเลยอ่าไม่จิตเรา ถ, ถ, ถูกตอนหามันพาจิตดีดดิ้นออกออกนอกกายออกนอกเวทนาออกนอกจิตมันหมุนอยู่ในในนี้มันได้ไประโยชน์มันทำให้เรารู้สัจธรรมสิ่งวันนี้เป็นสัจธรรมเรารู้สิ่งเหล่านี้คือเรารู้สัจธรรมเราภาวนาเราต้องการรู้สัจธรรมแต่เวลาสัจธรรมปรากฏทำไมเราต้องกลัวมันเราไม่ต้องกลัวเอาเราออก ความเจ็บความปวดความทุกข์มันก็เพ่าไปมันก็เบาไปต่อสู้กันอยู่อย่างนี้แหละทําอยู่อย่างนี้แหละทํออาจนมีผลอัศจรรย์เกิดขึ้นในใจของเราจากผลของการภาวนาสงบสงบขัน้นไหนก็แล้วแต่ให้เรารู้ตัวหลังจากที่เรา บ, บ, บริกรรมอารมณ์เดียวจนจิตสงบแนบ แน่นนิ่งไปเป็นเรื่องของวิปัสสน์เป็นเรื่องของสมถะแต่ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของเวทนาและมันจะเป็นเรื่องของเวทของวิปัสนาเพราะว่ามันทนระยาะทํำไมใช้สติกําหนดจดจอ่อพิดจรณายัก ย, ย้ายผันแปรมันอยู่ไม่ได้ปัญหามันแทรกเข้ามาที่กิริยาอาการของจิตเราก็ทำศัพท์เปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้แหละทำศัพท์เปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ สี่งเหนี้จะมีผลรายได้เข้าสูงัว้ ใ, ใจจากนั้นความมุสาวพยายามความเปลี่ยนมันเพียงจะท่องจะบุญจะสวดจะจะสวดมนต์จะภาวนาอย่างนิ่งก็ต้องต้องใจทําโดยเฉพาะภาระของพระเจ้าพระสงค์เราเราต้องท่องเราต้องสวดไม่ให้บวชแล้วเราไม่ท่องไม่สวดนะใครยังไม่ได้ปฏิโมกเราต้องท่องปฏิโมทปฏิโมทเราต้องท่องเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องท่อง ภาษาสองภาษาสมนี่ต้องได้ปฏิโมกษภาษาสามไม่ต้องไ ด, 3, ไองไดไ้อยู่ทำไมเราไม่ท่องอ่ะอยู่วันคืนลงไปปล่าเปล่าเฉยเฉยไม่ได้อะไรเอาเวลาเวลาสับเปลี่ยนกับการภาวนาแล้วมันจะเกื้อนหนุนกันแล้วก็ความเป็นผู้จริงจังจริงใ จ, งจงมาตรงนี้แต่ถ้าไม่มีความจริงจังจริงใจแน่ะไม่ได้ไปเสช่อย่างความน้าเหลวหมดอันนี้คือความเหลวอันนี้คือความน้าเหลว เหลวเหลวแล้วก็ไหลเมือนเราไปกำน้ำแข็งลองดูด้วยกำไปกำมามันเหลวหมดเป็นน้ำหมดมันก็ไหลดี๋จดเหลวไหลอ่าวันนี้เราพอสมควรแก่เวลาแค่นี้มีใครจะต้องขอนิสัยอ่า มีใครจะต้องขอนิสัยขอได้ผู้ชา ย, ยะท่านมาแล้วก็พระใหม่ขอได้แล้วยังขอแล้วยังฮะพระใหม่อ่ะพระใหม่